วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2537 เป็นการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้น จึงเราได้งดการบรรยายมาชั่วคราวตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีเป็นต้นมาโดยลําดับๆมาค่อนข้าง แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของอภิธรรมมัฏฐวิภาวินี อจุนที่ท่านได้วินิจฉัยๆเช่นอกุศลจิต 12 โลภมูลจิต มีอยู่สองพวกด้วยกัน 2 พวกด้วยกันพวกหนึ่งเป็นโลภะอสังฆาริกคือเป็นความ ซึ่ง 1 เป็นสังฆาลิก 1 มหาวิบากก็เช่นเดียวกันมหากิริยาก็ 4 5 แล้วก็ถัดเลยไปจากนี้ทั้งจิตเหลือรูปฌานจิต ท่านไม่โดยระบุไม่ได้ระบุคายชื่อ ถามว่าว่าถามว่าในที่นี้ก็เพราะว่า แม้จิตดวงนี้จิตดวงนี้ก็อาจที่จะกล่าวได้ว่าที่ได้มาด้วยอํานาจการตามจนวินิจฉัย ก็คือท่านถามว่าทําไมจึงไม่ 5 หรือรูปาวจร 5 ดวงนี้เหมือนอย่างในมหากุศลจิตที่แบ่งเป็นอสังขาริกครึ่งนึงแบ่งเป็นสังขาริกครึ่งนึงหรือ เรียกเป็นภาษาหลักวิชาว่าเป็น 2 ภูมิภูมิ 1 คือเป็นโลกิยะภูมิโลกิยะภูมิก็คือรูปาวจรจิต ฌานนั้นก็จัดเป็นโลกิยฌานแต่เมื่อใดบุคคลผู้ที่ทำ จัดโลกียรูปฌานเป็นสังขาริกหรืออือนี่ต้องต้องบอกว่าหรือด้วยแล้วก็จัดโลกุตระรูปฌาน ที่ท่านอย่าไปนึกคือไปอ่านดูแค่นั้นตอบให้เราคิดเมื่อกี้น่ะไม่ใช่ ก็มีความเกิดขึ้นได้ในภาคหลังด้วยอำนาจ <c oughs> เพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่ชาญทั้งหมดเพราะเหตุที่ฌานทั้งหมดอาศัยเพียงๆโดยเว้นอภิสังขารการจัดแจงประงค์แต่ง ถ้าฌานเกิดได้โดยลำพังอาศัยความตั้งใจโดยไม่ต้องกระทําการ <c oughs> จะเป็นรูปฌานที่เป็นโลกียะก็ดีเป็นโลกุตระก็ดีไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นอสังขาริก อภิสังขารเนี่ยหมายถึงความจัดแจงประุงบริกรรมบริกรรมในที่นี้ก็หมายถึงการบริกรรมในการทํา ชาญไม่เกิดไม่เกิดหรือทางความปรารถนาว่าฉันอยากได้ฌานแล้วก็ลง เล่มใหญ่น่ะอยู่ตรงบริกรรมส่วนเหตุน่ะอยู่ตรงบริกรรมจุด <c oughs> อารมณ์ต่างๆอารมณ์สถานต่างๆเช่นเพ่งอากาศเพ่งเพ่งวิญญาณก็ทําแล้วทําอีกที่ไอ้เวลาบรรลุเนี่ยมันขณะจิตเหมือนๆ ทุกสิ่งทุกๆเลยพูดว่าเหมือนกันก็ได้ มีโดยลําดับเอกสารนี้ถัดๆไปนะปฏิปทาที่ผมยก 5 ได้ได้ๆก็คือว่าไอ้ยาก แต่ว่าในหลักเนี่ยท่านก็ถือว่าจะ 5 ตัวนี้หรือเป็น 2 ตัว 3 ตัว 4 ตัวก็ถือว่าเป็น 5 นั้นได้ มันไม่ใช่ไปยากง่ายตอนที่ จะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าเป็นอสังขาริกไม่ได้ คนที่ทําฌานทําภาวนาใหม่อย่างเนี้ยก็จะรู้สึกว่า เลี่ยงความเป็นสัพปายะอสัพปายะแล้วก็ความเป็นอสัพปายะนิด 1 น้อยๆ1 เนี่ย ประพฤติการอย่างชีวิตโลกโลกธรรมดาชีวิต 5 ข้อมั้ยนะเอ๊ะวันนี้เราๆพวกเนี้ย ถึงจะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเนี่ยมันก็ทําธุรกิจได้ทําคุณธรรมย่อนลงไป ส่วนของพี่สังขารส่วนใดชั้นใดเป็นตัวทําลายว่า โยคีผู้นี้หรือพระองค์นี้มีพลังสูงเหลือเกินอะไรเหลือพูดได้นะคือพูดในส่วนสําเร็จแล้วถึงคราวพูดง่ายๆว่าถึงคราวที่ตก <c oughs> เป็นตัวห้ามความเป็นอสังขาริก กาลมัหอสังขาริกนั้นคือความอ่อนของจิตที่ตามศัพท์แปลว่าเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งและความเป็น ผ่านมาแล้วว่าจิตที่เป็นอสังขาริกคือความไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัย เหลือโดยฉับพลันทันทีหรือโดยกําลังโดยความรุนแรงเราก็ลองมาคิดดูๆได้อยู่ๆก็เดินผ่านวัดเพื่อนจูงมือ มันไม่ได้ไม่ได้ต้องตั้งใจแรงจริงๆกว่าอะไรๆทั้งหมดเพราะอะไรเพราะของเนกขัมมะเราพูดเอาสุดยอดมาพูดนะ เสร็จแล้วก็ออกจากเรือนไปบวชเป็น ความสุขสบายความยากลําบากเนี่ยมันก็อย่างที่เราก็วาด ปราชญ์นี่มันไม่เห็นตัวเป็นแต่เพียงว่าเราชอบเราเชื่อนะมันก็อยู่ในความ และเราก็คิดดูอ่ะเราจะหาเสียงสนับสนุนกับการไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้ มันก็เป็นเรื่องใกล้ๆเรื่องธรรมะตํโมเนี่ยเป็นเรื่องนามธรรมคนมันมองไม่เห็นนะ ก็คือมาเป็นอย่างดีความตั้งใจความปรารถนา เข้าฝ่ายใดข้างวาย 1 ลงไปได้ 1 บอกว่าเว้นเสียจากความตั้งใจนะจานเนี่ยเว้นได้จากความ อันเนี้ยเราได้มาเป็นข้อคิดสําหรับเราสําหรับผู้ว่าเรามีความรักในภาวนาธรรมแค่ อธิการคือความตั้งใจความปรารถนาในภาวนาธรรม เราไปทําภาวนาเพราะว่าเรามีโรคนอนไม่หลับเร มันได้ฌานแล้วก็ยังไม่ถึงจุดได้ปัญญาแล้วก็ยังไม่เต็มความปรารถนามันต้องเอา ไอ้ตัวนี้ต้องมีอย่างอื่นด้วยอาศัยความขยันเป็นทุนเริ่มต้น 2 ตัวนี้อธิการกับอภิสังขารนะแล้วก็อธิการ ภูมิปัญญาของเราในขณะนั้นเรายังไม่เห็น อันนี้ต้องต้องเรียนไปเลยไม่มีใครสามารถจะสอนครั้งเดียวแล้ว เป็นโมริบุญอยู่เสมอเป็นของเราจึงไอ้ตัวเพิ่มเติมแล้วก็ แล้วก็ 2 พยัญฐานที่จะรักษาความเข้มแข็งของตัวอภิสังขาร แต่หมายถึงคุณเครื่องปฏิบัติหมายถึงคุณเพิ่มระดับปฏิบัติเรื่องการวางใจๆไม่จบ นับถึงผลที่จบแล้วจึงจะเรียกว่าผมก็ผ่านโรงนี้ไปก็เป็นอย่างอย่างหมายถึงอ่านต่อหน้า โดยเว้นจากอภิสังขารในการก่อนกล่าวคือการบริกรรมและเพราะเหตุที่อาศัยเพียงอํานาจๆ โดยเว้นอธิการคือความตั้งใจก็หาเกิดขึ้นได้อยู่ๆซึ่งคนไม่ปรารถนาไม่ตั้งใจแล้วอยู่ๆเช่นเจ้าหญิง ในเวชคุดีไปถ่ายพระบางคนหนักแล้วก็เพ่งนะฮะคือ งกก็คงดูแล้วก็เหมือนกันกับอะไรๆทั้งในทั้ง 2 อย่างไม่ใช่ว่าตั้งใจยาวไกลจะต้อง คือบางคนเนี่ยตั้งใจมายาวไกลแต่ไม่เคยได้ผลนะฮะบางคนก็อาจจะตั้งตั้งใจแบบ คือคนที่เค้ามีบุญมีกุศลอุดหนุนมาแต่ รับต่อไปนะเหตุปัจจัย 2 กระแสอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะต้องอัง โลภะที่เกิดขึ้นโดยความเป็นอสังฆาริกหรืออ่าและอธิสังขารว่าอย่างโลภะที่เป็น บริกรรมเนี่ยบริกรรมของฌานตัวเนี้ยหมายว่าตัวฌานเป็นเป็นผลผลหมายถึง บรรลุมรรคผลเนี่ยมรรคผลเป็นผลสําเร็จแต่คนจะบรรลุมรรคผลได้ต้องอาศัยวิปัสสนาญาณ อ่าปนันวิปัสสนานั้นจึงมีฐานะเป็นบริกรรมของมรรคผล และไม่เป็นความตั้งใจให้กับตัวเองไม่เป็นความตั้งใจให้กับตัว มันจะมาคิดว่าเดี๋ยวฉันจะเข้าฌานฉันเข้าแล้วเดี๋ยวฉันจะออกฉันจะออกไม่คิดไม่ได้มรรคผล นั้นก็เราคุณนึกง่ายๆว่าเราเองเนี่ยไอ้ที่เรา และมันมาผลก็อาศัยสิ่งเหล่านี้เหมือนกันอ้าวทีนี้ ไม่ได้มีใครมากระตุ้นไม่ได้มีใครมาหว่านล้อมเกิดขึ้นอย่างเรียกว่ามีความปรารถนาหลุนๆก็เกิดขึ้นตามฉันโลภมันก็จะออก พิเศษอะไรไม่ต้องไปเดินจงกลมมาบริการไม่ไม่ไม่ใช่เป็นของยากไม่ต้องไปเดินเดี๋ยวโลบไม่ทันโกรธไม่ทันเหตุมือติดตัวไปด้วยต้องพกอาสนะไว้ก็ไม่ ไอ้อย่างไอ้เหลวอารมณ์ทรงเดชทรงเดชเนี่ยมันก็ชวนให้โลภให้ แต่มันกลับเป็นว่ามันโลภดีกว่าเราสินะโลภจัดกว่ามนุษย์อีกหลงจัดกว่ามนุษย์อีกโกรธจัดกว่ามนุษย์อีกพูดอย่าง เดลสัตว์เดลฉานเนี่ยเราต้องถือว่าโดยสภาวะของจิตเนี่ยมันอยู่ ยังของเราเนี่ยเรามีฐานของกุศลนิบัติมีปฏิสมารอย่างเช่นอุปัฏฐิดี มีมันได้ในสภาพอย่างนั้นปิตราเรางั้นถ้าคนไหนเป็นใหญ่ บุคคลผู้นั้นมีโอกาสสําเร็จสําเร็จหมายถึงครบองค์กรรมบทแล้วก็ล่วงวัตถุที่ล่วงได้ยากได้วัตถุบางอย่างเนี่ยคนวิบากไม่ดี ไอ้ความโลภเราเนี่ยมันมันไม่มีจิตอื่นมาเป็นทํานะฮะข้างนอกสังขารน่ะ สิ่งผิดกาจาลฌานนั้นความตั้งใจและเอ่อตัวปรุงแต่ง <c oughs> อันนี้กา ยोजना นั้นแต่งโดยแก้อภิธรรมมัตตาสังหะ อภิธรรมที่ 2334 ที่ 5 ที่ 617 แก่ไว้เป็นหนังสือเล่มหนามากเราโดยมากไม่เคยพบเคยเฉพาะที่แก่ เรียนประโยคกล่าวอ่าในนี้ก็ท่านคือท่านขยายความว่าถามว่าบทว่า แม้แม้ว่าได้มาตามอนุภาพได้มาตามอานุภาพแม้ว่าได้มาตามอานุภาพคําว่าตามอานุภาพ ซึ่งเป็นโลกุตตราชานไม่ใช่รูปาวจรฌานอันบุคคลได้มา นะฮะอันนี้เค้าเรียกว่าฌานเป็นมรรคจิตติฌานฌานที่บรรลุในๆคน มาบวชกับพระพุทธเจ้านี่เมื่อท่านมาบวชพอบรรลุมรรคก็ อันเดียวกันน่ะพูดงานเกิดจากบารมีอันเดียว เวลาท่านก็จะต้องมาตั้งบริกรรมมาเกิดซ้ํากับท่านท่านก็จะต้องมาตั้งบริกรรมนั่งพอนั่งเสร็จแล้วก็บริกรรมให้ดิ่งสมาธิ อ่าหาละอะอะอภิสังขารนะอภิสังขารหรือบริกรรมเพราะฉะนั้นฌานที่ท่านเข้าเนี่ยตั้งบริกรรมใหม่ตั้งความตั้ง ไม่ได้เกิดกรรมรรคหรือฌานที่เกิดในเวลาใช้สอยคือในเวลาเข้าชาญต้องมี โดยหมายความว่าฌานเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ท่านได้ๆคนที่ได้ฌานแล้วท่านก็ใช้ฌานใช้สอยฌานที่เรา แล้วใครเป็นนักปฏิบัติก็ใช้ธรรมะเนี่ยเอามาใช้สอยในขั้น นี่เราอาตมาใช้สอยซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดไม่ใช่เป็นการเอาของสูงลงต่ําพระพุทธเจ้า อ่าได้แล้วดีมั้ยควรมั้ยอ่าก็ไปคิดกันเอาเองแล้ว เกี่ยวฆ่าไปโคตรฆ่ากินบาปๆนั้นเป็นเรื่องคืออันนี้ธรรมะยอมรับได้นะฮะไม่ใช่ปฏิเสธพฤติกรรม ตั้งใจใจความตั้งเจตนานะฮะบางอย่างเนี่ยแม้เป็นบุญ ปฏิเสธเดี๋ยวนั้นหรือเอาไปปฏิเสธกันทีหลังอ่ะถ้าอย่างงั้นๆรอ เราปฏิเสธอะไรใครเนี่ยมุนีก็ต้องรอเวลาดูจังหวะเมื่อ อภิเษกแล้วก็ยังอยู่ต่อได้งั้นอันนี้ท่านใช้ ต่อคุณธรรมที่สูงขึ้นไปต่อคุณธรรมที่สูง ต้องเข้าฌานก่อนเข้าฌานตามลําดับมีวิธีการแยก <ม. S 1> ชนะทุกข์สร้างสุขเพื่อชนะทุกข์สร้างสุขชนะทุกข์ก็คือเวลาอาพาธก็บำบัดอาพาธนั่น จะเป็นทุกอะไรเป็นสุขแค่ไหนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างว่าเราปวดเมื่อยมาปวดหัวร้อนมาเลยแล้วเราก็ทํากรรมฐานสักชั่วโมงเนี่ย อัตราส่วนมีบางครั้งเนี่ยเรามีเวลาเข้าไม่พอเพราะอย่างนี้มันต้องต้องๆอย่างต่างๆกันใน บำรุงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับตัวเองได้อย่างถึงที่ในความจําเป็นนะผมว่าธรรมะนี่ถ้าเราเรียนรู้แล้ว จะไปแตกตัวพุทธเจ้าชนิดหนึ่งเรียนแล้วต้องนึกในทางใช้ส่งเสริมมั้ยฮะอย่างจะ แล้วก็มันมีสิ่งที่ผมอย่างหนึ่งว่าธรรมะบางอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่แลแล 2 อย่างนะคือพอเราได้ธรรมะนั้นมาแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์โดยปริยายอันหนึ่งใช้ มันก็ก็จะได้ประโยชน์เต็มที่จะได้ผลส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ถ้ามีเจตนา โดยไม่ต้องมีเจตนาเช่นเรียนแล้วได้ความฉลาดทันทีใช่มั้ยฮะขณะรู้เนี่ยนะก็โดยธรรมดาเนี่ยก็จะมีความรู้มีความสุขทันทีได้บุญ ฟังเหมือนแค่นี้ก็ได้บุญไปทีละหน่อยบางที บางเรื่องควรจะเช่นถ้ามูลฐานเลียนเลือนโทสะมูลจิต มันไปสกิดยังไงก็รู้แล้วนะอย่างเท่าเก่าบางทีเลยมันหนัก มันต้องเอาไปตามติดจิตต้องเอาไปตามติดจิตตើก็ดูความเคลื่อน Blue light ฟัลสแฮนคนหนึ่ง reluctant เอา rence you ่าวัชไม่เวลาเวลาเคราเห็นภุธิกรรมที่ไม่ดีกันเป็น Holly rewarded poting on the black свободι温 bracket euro Learn to Did Markheld the court and make Arena.ee Application fautลับแนกไす組 eu Maßnahmen kit or ging chisel per mirNews Oneount ว่า c'est one split per fee Leo Reaisiin returning time now? Yeah. I want to find find professional content. supportive ž faud Splits was ตัวว่าอยากจะโกรธนะแต่เค้าบอกว่ามีฉันก็นึกแล้วจนกระอายครับอายที่จะไปโกรธครับอายคนที่ แต่แม้ะติคนอื่นก็ไม่โกรธก็ได้ติให้เลยไม่ติเลย เราฟังเรื่องฌานน่ะได้ฌานทันทีนะครับต้องต้องทําความตั้งใจมากทําบริกรรมมากถึงจะได้ <c oughs> หรืออย่างอีกใน 1 เนี่ยมันมันมีอยู่ 2 ส่วนนะ